การรับฟังธรรมกันจริงๆในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าการภาวนาก็มีอยู่สองในยะในยะที่หนึ่ง การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้ชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้ดำเนินอย่างมีความสุขความสุขสงบร่มเย็นส่วนนัยตที่สองการปฏิบัติภาวนา เพื่อทำให้ชําระอกุศลจิต ก, กิเลสน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปก็กล่าวคือบรรลุถึงขั้นมรรคผลนิพพานเชนในจุดเบื้องต้นในในยะแรกเนี่ยการที่เรามีธรรมะไม่ว่าในขั้นศีล การอยู่ร่วมกันไม่เข็นฆ่ากันเบียดเบีย น, ยนชีวิตซึ่งกันและกันการไม่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายไม่ว่าจะเป็นลักษณะปล้นที่ขโมยคดโกงหรือว่าโดยอุบายที่ผิดต่อ ผู้อื่นทั้งแง่กฎหมายแล้วก็ในแง่ของธรรมก็จะทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเอาอย่างเช่นเรามองในการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก่อนในชั้นสี่นันยะแรกเอายกขึ้นมาในข้อหนึ่ง ปนาธิปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิซึ่งหมายความว่าผู้ที่ต้องถือปฏิบัติคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับถึงความลำบาก ยมลองมาดึงมาสู่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายถ้าโลกใบนี้ไม่มีสงครามไม่มีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตก็มีแค่ต่อสู้เพื่อเป็นกีฬาอย่างงี้ก็จะมีกรรมการแล้วก็การต่อสู้ก็จะยุติ ในเมื่อมีการให้คะแนนหรือว่ามีการต่อสู้เพื่อเป็นกีฬาก็ไม่ถึงกับว่าการเบียดเบียหนหรือว่าการเอาชีวิตเพียงแต่ว่าใครที่แข็งแรงกว่าก็เป็นผู้ชนะใครเก่งกว่าก็เป็นผู้ชนะการเจ็บตัวนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬาเพราะว่ามีกรรมการที่ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมเพียงไหนควรยุติเมื่อไหร่ โลกนี้จะน่าอยู่การดำเนินชีวิตทุกคนก็ไม่ต้องกลัวก็ไม่มีมือปืนมือมีดการวางยาพิษต่างๆการทำลายให้ร้ายต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นก็ไม่าศาสตราวุธที่ ประดิษ์ขึ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีและไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้ทุกชีวิตลวนรักตัวกลัวตายทั้งนั้นทำไมเราไม่อยู่กันด้วยความเมตตาให้ชีวิตยืนยาวรักษาชีวิตให้ยืนยาวเคารพชีวิตซึ่งกันและกัน นี่เป็นความสุขเบื้องต้นของการปฏิบัติภาวนาไม่ต้องมีคำว่าศัตรูล้างแค้นแก้แค้นเข็นฆ่ากันก็ไม่ต้องมีเพราะศีลข้อปธิบัติเป็นผู้งดเว้นแล้วจากการทำลายเข็นฆ่าชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ ก็น่าอยู่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้องกลัวว่ามีคนอื่นจะมาทำร้ายโยมอยากเดินไปไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็สบายนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้โลกนี้สังคมมนุษย์น่าอยู่ ไม่ต้องมีความระวาดระแวงมีความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวก็จะผ่านพ้นไปด้วยชีวิตที่น่าอยู่สีน้อสองข้อปฏิบัติมนุษย์จะมีทรัพย์สมบัติเพียงไหนจะประดับแต่งอยู่ในกายเพียงใด จะเดินยืนในซอกซอยไหนก็ไม่มีผู้ร้ายที่จะมาปล้นที่หรือมาทำลายสบายจะนอนที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวทรัพย์สินจงหายจะไปไหนบ้านช่องแม้ประตูบ้านไม่ได้ปิดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีโจรมาปล้น ยามก็ไม่ต้องมีสบายมีแต่ถ้าใครมาก็ถามมาหาใครเจ้าของบ้านคนไหนอยู่หรือเปล่าถามเสร็จก็จบตรงนั้นมาหาคนไม่ใช่มาหาเรื่องคนสบายไม่มีบ้านเรือนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ แม้ประตูไม่ลงกรก็นอนหลับสบายทรัพย์สินทั้งหลายวางที่ไหนก็อยู่ที่นั้นอย่างมากก็ทำตกหายไปนั่นก็ถือว่าเอาล่ะเป็นความลุนเลอ่อของตนเองก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าจะโดนอาการขโมยทีพ่พ้นคดโกงไม่มีน่าอยู่แค่ไหนไม่ว่าร้านทองร้านเพชร ก็ไม่ต้องมียาไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยมารักษากลัวว่าจะมีผู้ร้ายมาปล้นที่ไม่มีมันก็เกิดสุขที่มองเห็นแล้วไม่ต้องภาวะไม่ต้องไปใส่ลูกกรงเล็กขึ้นมาสบาย บวกกับการทาธุรกิจการค้าขายการต่อสู้ในหลักของการค้าเนะี่ยมีมันไม่ผิดนะแต่ต้องให้ถูกหลักวิธีว่าเราต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยผิดในแง่ของธรรมของเศษก็ค้าขายชัน หลักการค้าขายวิธีค้าขายก็สู้กันโดยปัญญาวิธีแต่ว่าเรื่องการคดช่อโกงกันอย่างนี้ไม่ควรอย่างเช่นเรื่องตมาเคยเห็นด้วยตาเองตอนสมัยนานมาแล้วคนรู้จักก็ไปที่ร้านเขาเขากำลัง เอาน้ำหอมมาผสมเอาของจริงไทออกไปเกือบเกืบครึ่งหนึ่งแล้วเอาส่วนผสมอื่นมาใส่ตาก็นั่งเห็นอยู่บอกก็รู้อยู่ว่าเขาทำอะไรแต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้เขาเป็นผู้ใหญ่แต่ก็รู้ว่านี่คือที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำให้สินค้าก็ได้ยคุณภาพลง แต่ว่าตนได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวอย่างนี้ก็ไม่ดีไม่ซื้อสัตว์คดโกงมีอุบายที่คดโกงไม่ดีก็เหมือนกับเราไปซื้อของเอาความหมายทางโลกว่าเป็นของของปลอมนะ คุณภาพที่มันหย่อนลงมาก็ทำให้คุณภาพมันเสียอย่างนี้ก็ไม่ดีฉะนั้นความสัตว์ซื่อซื่อสัตย์สุจริตมีอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยชีวิตจะน่ายอยู่ถ้าสมมร้านทองมาขายทองผสมมากเป็นทอง มันต่ำกว่าเกรดแล้วเนี่ยถ้าลูกค้ารู้ก็โกรธโมโหเจ็บใจสุดท้ายภัยก็เกิดจึงบอกเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นและก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองจึงบอกหลักการค้าขายทำกำไรได้ดีแต่ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิธี ถ้าผิดหลักวันที่มันย้อนกลับมาชีวิตอาจจะไม่เหลืออย่าว่าแต่เงินที่จะใช้เลยชีวิตที่จะใช้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ดีฉะนั้นความสุขข้อนี้ก็บอกต่อโลกชาวโลกว่าถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมกันแล้ว เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นอาจจะมาบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันจะตกงานแล้วนะโจรผู้ร้ายไม่มีการฆ่ากันก็ไม่มีการลักทรัพย์วิ่งรล่าก็ไม่มี ตำรวจก็ไม่รู้จะจับใครแล้วโยงอยู่ไปอยู่มาเบื่ออาชีพบอกไม่มีอะไรทําแล้วแต่นี่ ว, นวันวันหนึ่งคดีนี่แจ้งจนตำรวจไม่รู้จะไปไหนก่อนไม่พอตำรวจ ว, วันวันหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานีตำรวจเลย ไปตลอนตลอนไปทั่วไปหมดขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไมโยมเวลาขึ้นศาลโยมด้วยก็ล้วนแต่ความไม่ซื่อสัตย์ความเอารัดเอาเปรียบความไม่ยุดดติธรรมการคดโกงคดีความก็จึงเกิดขึ้นมันทำให้ความสุข มันหมดไปเลยยมดูเวลาคนต้องขึ้นศาลที่โอโหกว่าจะจบได้ต้องเสียเงินเสียทองค่าทนายว่าความอีกไม่รู้เท่าไหร่จริงๆเรื่องมันแค่สองคนที่ทำกันแล้วคนก็รู้จักกันด้วยสุดท้ายก็เป็นศัตรูกัน เวรกรรมไม่จบไม่สิ้นต้องให้คนอื่นมาตัดสินความไม่ซื่อสัตย์ก็ทำให้ความสุขของมนุษย์เนี่ยหายไปนี่คือการปฏิบัติที่พวกเราเริ่มต้องการความสงบสุขในเบื้องต้นจนถึงบ้นปลายความสงบสุข ภายในใจอันบริสุทธิ์ถึงที่สุดแต่โยมมองมุมกลับกันดูถ้าโลกนี้มีแต่สงครามโหดร้ายเข่นฆ่าทำลายป้นที่คดโกงอาชีพไม่ซื่อสัตย์โกงกันทุกอย่างนาราช่างก็โกงสินค้าก็ยัดไส้ ทุเรียนยังไม่แก่ก็ตัดลูกค้าซื้อมาก็เอาเอาไปบ่มแล้วก็ไม่สุกทัทีเปิดมาก็กินไม่ได้ยัดไส้สุดท้ายก็มนุษย์ก็ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน เรื่องเกิดมากมายทะเลาะก็ไม่เว้นวันให้ร้ายไปสีกันไม่เว้นวันบาปกับฉะนั้นความสงบสุขของมนุษย์จริงๆมนุษย์ขาดศีลธรรมกันในเบื้องต้นเราไม่เคารพกันแล้ว มันก็ทำให้ความสงบสุขเนี่ยเกิดขึ้นใกลยากไม่สงบสุขลำบากฉะนั้นเราต้องเข้าใจในการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติก็เพื่อให้ชีวิตมนุษย สัตว์น้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องแช่มาถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาอย่างสินข้อสาบการผิดลูกผิดเมียกันเราไปแย่งลูกเมียคนอื่นของที่มีอยู่ก็ไม่พอใจของที่ต้องห้ามเราก็ไปขโมยเอามานั่นเขาเรียกเป็นขโมยสิ่งมีชีวิต ข้อสองนี้ลักทรัพย์แต่ข้อสามนี้ขโมยสิ่งมีชีวิตคือลูกเมียผู้อื่นหรือผิดเมียคนอื่นมันก็ไม่มีความสุขเพราะนั่นเกิดจากการเบียดเบียนของชีวิตของผู้อื่นครอบครัวคนอื่นยมได้ยินแมวฉุดไปคมคืน บางทีข่มคืนแล้วก็ฆ่าทำเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์ชีวิตคนเรามันมีค่าแค่ถูกก่มคืนและฆ่าแค่สนองกา ม, มานั่นแหละไม่ใช่ขนาดภูมิสัตว์ก็ดุร้ายมีเขี้ยวมีขนเขาก็ยังไม่ต่ำถึงขนาดนั้นอ้นี่พวกเรา คนมนุษย์แท้ๆต่ำเยี่ยงกว่าสัตว์เสียอีกใจนี้ไม่มีวิญญาณของมนุษย์อยู่เลยมีแต่กิเลสม า, านทั้งหลายจนไม่รู้ชีวิตของมนุษย์ไม่รู้ความรักความเมตตา กิจใจอย่างนี้ถือว่าหยาบคายมากหยาบจนไม่รู้จะหยาบอย่างไรพอใครไปผิดศีลข้อ น, นี้ยมดูวุ่นวายไปหมดทะเลาะกันก็ไม่รู้จบบ้านแตกสะแลก ข, ขาดความสงบสุขข้อ น, นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ไปละเมิดขึ้นมาบ้านไหนก็ไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสุขก็เกิดเรื่องขึ้นมามากมายฉะนั้นเบื้องต้นตรงนี้ผู้ภาวนาปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนก่อนที่ไปสู่ทำขั้นสูงคนอื่นก็ไม่ปฏิบัติเรื่องของเขา แต่ว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัตินี่คือเรื่องของเราถ้าไปตามเขาเราก็ไปตกนรกทาไมเขาเดินไปนรกเราก็อย่าไปสิก็รู้ว่าเขาทำไม่ถูกแล้วเราก็จะไปทำตามเขาไม่ได้ก็ต้องบอกเออปฏิบัติทำ บางโอกาสก็ต้องอดถนบางโอกาสก็ต้องมีเมตตาเราก็ต้องรู้ภาวะจิต ด, ด้วยเขาไม่รักษาศีลแต่เราต้องรักษาเขาทำบาปแต่เราทำบุญเขาขาดทุนแต่เรากําไรสุดท้ายชีวิตยังไงเสียธรรมก็ชนะอาธรรม ยังไงบุญก็ชนะบาปในที่สุดเราต้องมีศรัทธาแล้วก็มีเจตนาในการปฏิบัติอย่าหวั่นไหวถ้าทุกคนเคารพชีวิตกันแล้วลูกเมียคนอื่นก็จะไม่ถูกขมโมยยงคยได้ยไลักพาตัวเรียกค่าไทย ดูที่โยมขโมยทรัพย์สมบัติยังพอว่าไอ้นี่ไปขโมยคนแล้วนะมันก็เหลือเกินเคยได้ยินใช่ไหมเรียกค่าไทยไปขโมยคนวางสิ่งแรกเปลี่ยน มันเป็นหนทางแห่งความไม่สงบสุขมนุษย์ปุถุชนควรหยุดได้แล้วควรหยุดชีวิตก็ไม่ได้มียืดยาวมากมายอะไรหรอกอย่าไปหลงมันแล้วก็มาดูความสุขในเบื้องต้นในข้อสี่ถ้ามนุษย์ทุกคน พูดกันด้วยความสัตย์ซื่อซื่อสัตย์ก็เรียกจริงใจแล้วก็ใจจริงสิ่งโกหกงดเท็จพูดปดตลบตะแลงยุยงให้ร้ายป้ายสีสิ่งเหล่านี้จะหมดไปไอ้นี้ทุกวันนีโอ้โหพูดจริงอยู่คำแรกอีก ร้อยคำหลังเนี่ยโกหกทั้งเพโกหกหน้าใสนะโกหกหน้าใสตาซื่อไม่ทหาทำได้ดีมากมองไม่ออกหน้าใสตาซื่อเสียงอ่อนหวานโอ้โหแต่ใจเป็นมาร น, นี่ผิดอยู่ในข้อสี่ บางคนก็ตีหน้าเศร้าใจสั่นเครือตีหน้าเศร้าเสียงสั่นเครือแต่ใจร่าเริงมันไม่จริงอ่ะยังไงยังไงเจตนามันเป็นตัวกรรมพูดอะไรก็รู้อยู่ว่าใจเราตั้งไว้หลอกเขาทั้งเพกระบอทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ที่นายได้กอบโกยเพื่อตนเองทั้งนั้นเลยเกลือนการโกหกพูดเท็จให้ร้ายป้ายสีพูดคำหยาบใช้คำลวงยุยงยุแย่คนนี้คนนั้นสุดท้ายจะกลับมาหาตัวเองฉะนั้นสีลข้อนี้หรือข้อปฏิบัติ มนุษย์ทุกวันนี้วุ่นวายไม่มีความสุขก็เพราะหนึ่งการให้ร้ายกันเออถ้าพวกเราดูมันมีกังขินกับตรงขินเนมเมื่อไรกังขินเรืองอำนาจคนดีก็ถูกให้ร้ายถูกทำลายบางครั้งถึงกับถูกเข็นฆ่า จะเพื่อยศเพื่อเกียรติเพื่อเงินเพื่อพักพวกเพื่ออะไรก็สุดแล้วแต่แต่อย่าลืมท่านทําลายทําร้ายเขาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าตัวเองทําร้ายตัวเองอีกร้อยเท่ากรรมมันจะสนองดีไม่ดีลูกหลานตัวเองพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย แล้ววันนั้นชีวิตเดียวตายไม่พอต้องเห็นลูกหลานตายต่อหน้าเมื่อถึงวันนั้นจะรู้สึกว่าบาปที่ตนสร้างคนเดียวรับไม่พอเศษเสี้ยวแห่งกรรมวิบาก กรรมทายาทที่อาศัยอยู่เป็นเผ่าพันธุ์ของเราก็พลอยได้รับไปด้วยฉะนั้นอย่าดีใจคนที่กําลังให้ร้ายผู้อื่นไปสีผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นสร้างภาพทั้งหลาย สุดท้ายใจที่มืดดำจะเปล่งเป็นแสงสว่างออกมานำทางชีวิตคงจะไม่ได้ฉะนั้นอัตมาดูแล้วใครไม่เชื่ออะไรก็ตามแต่สิ่งที่น่าเชื่อคือใจถ้าใจจริงมันจะฝ่าฝฟันได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าใจลวงหลอกหลอกลวงแนละ้วพอเจออุปสรรคปัญหาเหตุการณ์สุดท้ายใจดวงนี้มันหวั่นไหวอยู่ไม่ได้ฉจนนั้นผู้ภาวนานักปฏิบัติคุณธรรมในเบื้องต้นเนี่ยพวกเราจะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านต้องสยบวาจา อันเป็นบาปอากุศลและมารที่ก่อเกิดแห่งวาจาทั้งหลายต้องหยุดคำพูดทุกคำสุดท้ายจะสะท้อนย้อนกลับมาสู่คนพูดเองหมดพวกเราต้องพูดกันจริงๆนะหยุด ถึงบอกคนที่ยังให้ร้ายผู้อื่นได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าไม่จริงแล้วก็ยังพยายามยุแย่คนนั่นคนนี้แต่มาว่าท่านกำลังทำลายความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตผลแห่งปัจจุบันที่เราทำวันนี้ จะนำไปสู่วันต่อต่อไปคือวันพรุ่งนี้การกระทาวันนี้อาจจะได้รับผลคือวันพรุ่งนี้แต่การกระทาของวันก่อนๆ อ, อาจจะได้รับผลคือวันนี้มันจะไล่กันบางอย่างเกี่ยวเนื่องจากอดีตส่งผลสู่ปัจจุบันบางอย่างทำขณะปัจจุบันก็จะส่งผลเร็ววันในวันข้างหน้า ไม่ไปไหนเชื่อเธออยู่ใจมันรู้สิ่งที่พูดจริงกี่คำจริงหมดไหมหรือจริงไม่จริงใจรู้แล้วใจที่รู้ตรงนี้สร้างกรรมอะไรไว้มันก็เหมือนกับสิ่งที่ได้บันทึกไว้หมดเลย มันไม่ได้สลายนะทำบุญวันนี้แม้บุญวันนี้ไม่ได้รับแต่คิดหรือว่าบุญนี้สลายแล้วยังยังรอการโอกาสสมัยที่บุญนี้จะให้ผลให้ผลถึงบอกเออวันหนึ่งเราก็ได้รับผลแห่งกรรม แล้วเมื่อถึงวันนั้นเราก็ปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องมันคงจะใช่สำหรับวันนี้แต่วันก่อนที่ผ่านมาท่านทำมวันนั้นท่านยังไม่ได้รับแต่ผลของวันนี้มาจากวันก่อนท่านต้องรับผลของการก่อนคือวันนี้ ร้องไปก็เท่านั้นตะโกนสุดเสียงหาความเป็นธรรมถามฟ้าฟ้าไม่ตอบถามดินดินไม่ตอบพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครฟังเขาว่าคุณโกหกทั้งเพเห็นไดมบ้างผลที่เราสร้างมา พูดจริงเท่าไหร่เขาก็มองด้วยเหตุด้วยผลด้วยการจำนนแล้วยังไงคุณก็โกหกแต่ใจรู้ว่าครั้งนี้พูดจริงพูดจริงครั้งเดียวลบล้างความเท็จที่เคยพูดมาร้อยครั้งเนี่ยไม่ได้คุณเคยปั้นน้าเป็นตัวปั้นลมเป็นตัว ปันไฟให้เป็นตัวเผาไหม้คนอื่นมาเยอะพัดให้คนอื่นระหกระเหินมาเยอะทำลายให้คนต้องโศกเศร้าเสียใจหลั่งไหลน้ำตามันสายน้ำมาเยอะแล้วเราได้แต่ดีใจหวัวเราะชอบใจสิ่งที่ตนทำไปเขาบอกสาใจความสาใจ วันที่คืนย้อนกลับคือวันที่ตนต้องสะเทือนใจเพราะสิ่งที่ทำไปไม่ใช่กุศลมันเป็นอกุศลเป็นบาปฉะนั้นเราผู้ภาวนาจึงจำเป็นจะต้องมีธรรมคุ้มครองเบื้องต้นอยู่ให้ชีวิตมีความสงบสุข แล้วก็บำเพ็ญให้เกิดความสงบใจมายาสิ่งหลงไหลเคลิบเคลิ้มต้องรู้จักมองให้เห็นความจริงและท่านจะรู้ตัวตนมองให้เห็นตัวตนและท่านจะเข้าใจความจริงเมื่อรู้ความจริงนั่นคือสิ่งประเสริฐและท่านก็จะไม่ผิด จึงบอกจริงใจใจจริงเรารู้ว่าทำอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้ปากกับใจจะตรงกันการกระทําคําพูดและก็ใจตรงกันนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมกายกรรมบจญกรรมมนกรรมกรรมทั้งสามตรงกันมนุษย์เสแส่งปากกับใจไม่ตรงกัน กัตันมาจึงบอกว่าหน้าโศกเศร้าเสียงสั่นเครือแต่ว่าใจคึกคลืน้นเงี้ยมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันปากบอกพูดจริงพูดจริงแต่ใจรู้ว่าคตมันก็ไม่ต่างกับแม่มด เมื่อไหร่มนุษย์จะหยุดพูดปดโกโหกให้ร้ายป้ายสีใส่ร้ายกัดมนุษย์ยังไม่เคารพต่อคำสัตว์เห็นคำลวงเป็นความหวาดเห็นคำลวงเป็นทรัพย์สมบัติ เห็นคำลวงเป็นอาหารเห็นคำลวงนี่เป็นความเจริญจริ ง, รงๆไม่ใช่ชีวิตท่านกำลังเผลอชีวิตจิตใจท่านกำลังเผลอไปในขณะ จ, จิตยังให้ชีวิตพบภูมิชาติตกต่ำลงดีไม่ดีกลายเป็นสัตว์ได้ และต่อไปก็ไม่สนใจนะบางคนพอทำผิดแล้วก็ให้เลยตามเลยไม่กล้าที่จะรับผิดซ้าแล้วซ้าอีกข้าคนหนึ่งกลัวเรื่องแตกต้องปิดปากอีกสองสามคนก็ต้องทำต่อเมื่อกลัวคนรู้ความผิดก็ต้องทำต่ออีกโอ้โหตัวเองก็บอกคิดไม่ถึง ว่าเรื่องจะบานปลายถึงขนาดนี้คุณไม่คิดต่างหากไม่จะคิดไม่ถึงคุณไม่คิดคิดแต่ว่าเรื่องจะไม่เกิดคุณทำไมไม่คิดว่าเรื่องมันจะต้องเกิดปิดบังอาพรางเล่เหลี่ยมล่อลอก สุดท้ายมันต้องกลับมาสู่ความจริงเรายังเคยทวงขอความเป็นธรรมชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ทุกชีวิตก็ต้องมาทวงขอความเป็นธรรมนึกหรือว่าค่าชีวิตหนึ่งตายไม่มีใครรู้เรื่องจบสาบสูญไปจากโลกใบนี้สาบสูญไปจากพบน้อยใหญ่ อยากเข้าใจผิดอยากเข้าใจผิดเขาตายเผาไปแล้วเป็นเท่าฐานไปแล้วเราคิดหรือว่าเรื่องมันจบแล้วยมมาโลก เ, เทวโลกภูมิพบเขายังมีอยู่พวกเรายังวนเวียนอยู่ในภพ หรือว่าสิ่งที่ทำแล้วจบไม่ใช่หลอกตัวเองคนที่ไม่เข้าใจนึกว่าค่าคนนี้เก็บให้สะอาดมีคำพูดนะเก็บกวาดให้สะอาดแล้วก็ปิดปากเงียบทำมาเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมนุษย์เข้าใจผิด เรื่องเกิดขึ้นแล้วและหยุดมันไม่ได้ร่างกายตายวิญญาณอยู่นึกหรือว่าเขาจะปล่อยไม่มีทางเขาจดจ้องเราอยู่ประสบโอกาสที่เขาจะคืนได้เขาจะคืนทันทีมนุษย์เลิมนึกถึงเรื่องพบตรงนี้ไป คิดว่ายิงเสร็จจบคดีปิดไม่มีใครรู้จบคิดง่ายจังคิดง่ายไปมันไม่จบจริงว่าเขาตายจากโลกนี้กายหยาบหมดจริงแต่วิญญาณจิตนั้นเขายังผูกอาฆาต เขายังพยาบาทเขายังวนเวียนอยู่ในภพน้อยใหญ่และเขาก็ต้องตามหาเพื่อทวงความเป็นธรรมและจิตเราเองภายในจิตก็รู้ว่าเราเคยทำมันก็หกไม่ได้ก็อย่างพระพุทธเจ้ารู้ในเรื่องอดีตหมด ไม่ว่าใครเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่กล้าพูดเท็จแม้แต่คําเดียวพระองค์มองเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตที่เธอทํากรรมที่เธอก่อปัจจุบันที่เกิดมาด้วยแรงกรรมอะไรแรงกรรมันใดที่เธอทําปัจจุบันส่งผลอนาคตเธอจะสู่ภพภูมิใดพระเจ้าสามารถรู้การล่วงหน้าหมด พวกเราคิดว่าจบแล้วไม่จบแต่มนุษย์เข้าใจแค่ตื้นๆว่าจบแล้วเก็บกวาดเรียบร้อยคนที่รู้มีเราสองคนคนที่รู้กว่านั้นก็เก็บกวาดหมดแล้วอย่างนั้นจะบอกว่าเวรกรรมมีจริงทำไมถ้ามันจบแค่ตรงนั้น มนุษย์คิดตื้นๆยังไม่รู้ถึงความลึกซึ้งในภพภูมิน้อยใหญ่กรรมบิบากาที่ตนได้ทำไปไม่จบกรรมตรงนี้วิญญาณ น, นั้นยังรอสะสารกันอยู่อย่าดีใจไม่ว่าใคร ทำบาปข้อไหนทำกรรมไว้อย่างไรใจจะไม่เป็นสุขในสิ่งนั้นสุดท้ายเอากระดาษห่อไฟอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ไม่ให้เห็นเชื่อเถอะเอาผ้าหอ่อศพอยู่ไม่นานกลิ่นมันก็ฟุง้งน้ำเหลือมันก็ย้อยออก ปิดมันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะจิตวิญญาณที่เราฆ่าคนไปคนหนึ่งหรือคนนั้นตายไปคนหนึ่งเรานึกว่ามันจบเผาแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจะพูดประโลกหน้าพูดทำไมพบภูมิชาติกรรมวีบากเราไม่จบเรื่องแห่งกฎกรรมกรรมวีบาก ฉะนั้นใครที่เคยผิดพลาดไปแล้วรีบอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลให้วิญญาณ น, นั้นหายโกรธแค้นหยุดพยาบาทด้วยกุศลให้เขาได้สงบลงแล้วไปเกิดในภพภูมิที่เขาควรจะไปเกิดถ้าเขาได้ส่วนบุญจากเราเขาก็อาจจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ แต่ถ้าตราบใดวิญญาณ น, นั้นยังอาฆาตพยาบาทยังอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เหมือนเขารอคนนี้ตายเมื่อไหร่วันนั้นแหละเราต้องไปใช้ภูมิพบเขาน่ากลัวมนุษย์มองไม่เห็นม่านบังตา เข้าใจชีวิตตื้นไปจริงๆมันละเอียดเราผิดต่อคนอื่นก็เหมือนผิดต่อใจตัวเองยมถามดูใช่ไหมใจมันนั่งภาวนายิ่งเห็นไงถึงบอกใครนั่งภาวนาที่จะสงบลงได้นะไม่ง่ายกรรมวิบากหลายอย่างอกุศลหลายอย่าง จิตหลายดวงที่มันคอยทงให้ใจเราไปคล้องอยู่ไปติดอยู่ไม่งั้นคนนั่งกับมานฐานนั่งนั่งหงายต่งบกควายขวิดนะวิ่งมาเลยโดดใส่ขวิดลุกขึ้นได้วิ่งต่อผ้าเหลืองก็ผ้าเหลืองแล้ววิ่งหลุดทั้งผ้าเหลืองคนอื่นไม่เห็นใจของผู้ทมมันเห็น ยินยันเรื่องของพระเทรลองค์คุริมานเข้ากรรมาฐานไม่ได้พูดผีปีศาจมาหลอกหลอนต้องไปทูลต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแก้วว่าเหตุชนไหนจริงไม่สามารถทำกรรมาฐานให้จิตรวมสงบลงสู่ฌานได้พู้เจ้าแสดงบอกว่า บาปกรรมที่เธอก่อเวรกรรมที่เธอสร้างวิญญาณเหล่านั้นมาขอส่วนบุญเธอต้องแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้ภาวนาไปอุทิศให้จนกว่าวิญญาณเหล่านั้นจะได้บุญกุศลและไปปฏิสนธิบังเกิดในภพภูมิใหม่ไม่องั้นอย่าหวังเลย ออนึกว่าจบไม่จบนั่นองคุริยานเขามีบารมีสูงเข้าขายพยานของพระพุทธเจ้าถึงเขาทำบาปแต่บุญเขาก็ไม่ธรรมดาก็พระพุทธเจ้าเข้าข่ายควรที่จะโปรดแล้วก็สามารถพ้นได้ แป่ว่าบุญแผ่เมตตาจิตของพระเทระองคุริมันก็ไม่ธรรมดาโอ้ถ้าแผ่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยสิ้นชีตลงไปนรกตะภูมิยังรอยอยู่เห็นไม่ยอมไม่ต้องดูอะไรมากดูพระโมคคาณนะผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์ที่รองจากพระพุทธเจ้า เคยผิดพลาดในชาติหนึ่งทุบพ่อแม่จนกระดูกแตกแหลกเลวเหมือนกันนะทุบเคียนพ่อแม่องค์พระเทระองค์พระเทรลมุคราเนะชื่อไหมตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาตกต่ำเลยทุกทุบตีกระดูกแตกแหลกเลวตกนรกบกไม่อยู่ไม่รู้เท่าไหร่ นั่นขนาดไม่ได้ค่านะแต่กรรมวิบากตรงนี้ทำไมไม่สิ้นสุดง่ายๆต้องทนทุกทรมานตกอยู่ในนรกตะูมิไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วพอกรรมวิบากเสษยเสี่ยวพอที่จะบังเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ได้ยังถูกทุบตีอีกทุกพบเลยนะจนชาติสุดท้าย แม้บรรลุอรหันต์แล้วถูกจนห้าร้อยทุบตีกระดูกแตกแหลกเลวแล้วก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อละสังขารหรือนิพพานยมดูกรรมดูน่ากลัวไหมนี่ไม่ได้ฆ่านะ ยังจองเวรจองกรรมขนาดไห น, นกรรมตรงนั้นมันก็น่าจะจบไปแล้วพบตรงนั้นถูกไหมมีใครรู้ไม่มีก็แต่งตัวมาเป็นโจรตะโกนว่าโจรมาแล้วโจรมาปล้นพ่อแม่ตาบอดก็ทุบตีพ่อแม่ทุบเท่าไหร่พ่อแม่ก็ร้องบอกลูกหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงแม่แม่แก่แล้วพอทุบทีไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงแม่แม่แก่แล้วที่แท้ลูกตัวเองปลอมเป็นโจร ในระหว่างทางที่เดินทางก็ทุบตีทัตตั้งแต่นั่นมากรรมตรงนี้สาหัสสากรทำไมมันไม่จบตอนนั้นเลยล่ะเก็บกว่าสะอาดเรียบร้อยก็ไม่มีใครก็มีเมียตัวเองพ่อแม่ตาบอดสองคนสุดท้ายท่านรู้สึกเจ็บสําเนกตีทีพ่อแม่ก็บอกลูกหนีเถอะ พ่อแม่เจ็บทุกครั้งห่วงแต่ลูกทุกครั้งไปรู้สึกตัวเองผิดเมียเสี่ยมสอนยุยงว่าพ่อแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นจนต้องหลอกให้พ่อแม่เดินทางกลับและระหว่างทางก็ปลอมมาเป็นโจนยมดู ทำไมไม่จบในชาตินั้นเลยเก็บกว่าชาติแล้วไม่มีใครรู้แต่กรรมวิบาาไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นมันจะจบถึงไม่ถูกสั่งประหารชีวิตถึงไม่ถูกสั่งจำคุกกรรมนี้ก็ไม่ลาเวทฉันเบื้องต้นแห่งความสุขสงบของผู้ภาวนาน สำคัญคือต้องปฏิบัติในธรรมะขั้นศีลเพื่อจะอยู่กันอย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนโดยเฉพาะข้อหก็เหมือนกันมนุษย์ไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดก็เมาอยู่แล้วนะเมาชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจการทั้งหลายมนุษย์ก็เมาจนไม่รู้จะเมายัางไงแล้ว เมาจนเข็นฆ่ากันคดโกงกันเบียดเบียนกันให้ร้ายกันพูดไม่เป็นจริงกันเมาเต็มที่แล้วไม่พอเพิ่มความเมาไปอีกข้อหานี้คือทำร้ายร่างกายเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาเริ่มทำลายตับ เขาผานเริ่มทำลายอวัยวะอบุริยาสิตติดสุเข้ามาเริ่มทำลายระบบหัวใจการหายใจเห็นไหมโยงเรากำลังสร้างบาปให้ตัวเองทำไมไม่กินนมบำรุง ผลไม้บำรุงอาหารดีๆบำรุงแค่นี้ก็เมาพอแล้วขับแค้นใจบอกกินเหล้าดีใจกินเหล้าฉลองได้นั่นกินเหล้ามันเป็นข้ออ้างมนุษย์ที่ใช้เหตุผลเพื่อความเมาคิดอะไรไม่ออกสุ บ, บรีแล้วคิดออกอยู่งว่า ง, างไม่รู้ทำอะไรก็เลยสุ บ, บรีแก้ ค่าเวลาไปก็แล้วแต่เอาเหตุเอาผลแต่สิ่งที่เอาเข้าไปมันไม่มีคุณให้กับร่างกายแม้แต่ส่วนเดียวสุกัญชาเสพติดทำลายประสาทอวัยวะน้อยใหญ่ก็ถูกบันทอนไปสติสตังก็ไม่สามารถที่จะเจริญขึ้น สุดท้ายมันหยุดความเจริญตัวเองและจะหาความสุขที่เป็นความสุขของมนุษย์ในเมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจในแค่พื้นฐานแห่งความสุขของการภาวนาปฏิบัติแค่เบื้องต้นของศีลแล้วมนุษย์มีวัตถุก็จะไม่พบสุขเพราะ เมื่อขาดคุณธรรมมนุษย์ก็จะเบียดเบียนเข็นฆ่ากันพอมากเข้ามากเข้าก็เข้าสู่ยุคเหมือนกับสัตว์ใช้คำว่าใครมีกำลังกว่าผู้นั้นชนะพอคนนี้อ่อนแอคนนี้เข้มแข็งขึ้นก็เป็นจ่าฝูงแทน ใครอยากได้อะไรวางแผนทำอะไรได้ก่อนลงมือก่อนได้เปรียบก็ชันะสุดท้ายมนุษย์จิตใจจะเป็นสัตว์วันละฉะนั้นพวกเราภาวนาถึงขนาดนี้ปฏิบัติทำพื้นฐานความสงบสุขร่มเย็นจะต้องอยู่ในกรอบของศีลก่อน พอปฏิบัติได้ถึงจุดลงมือเพื่อให้ภาวนาถึงที่สุดชําระจิตนะชําระจิตให้ขาวรอดยังจิตให้บริสุทธิ์และโลภโกรธหลงอัตามาบอกนะว่าเรือเนี่ยอ ย, อยู่อยู่ที่น้ำเราคิดว่าใส่สัมภ า, าระให้มากที่สุดชีวิต เอาให้เยอะสุดมากที่สุดแต่สุดท้ายเมื่อไม่รู้ประมาณเรือจะจมน้ำลงทรัพสมบัติก็เหมือนเอาไปทิ้งในน้ำชีวิตก็จมลงแหวกไว้เหนื่อยอยู่กับน้ำสุดท้ายก็จมลงดิ่งลงสู่ใต้น้ำมีประโยชน์อะไรอยูมันมากเกิน มันไม่พอดีมันหนักเกินทำไมไม่เอาสิ่งจำเป็นใส่ไปให้พอประมาณแล้วก็รู้จักชีวิตที่ควรจะเดินทางให้ถูกต้องทำยังไงให้อยู่อย่างชีวิตที่มีอิสระมีความสุขสงบ มีความร่มเย็นมีจิตเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่คิดร้ายต่อใครมีเหตุปัจจัยอาศัยอยู่พอกินพออยู่พอประมาณทรัพสมบัติที่หามาก็ใช้ในช่วงบั้นปลายชื่อเสียงเกลียดจอมปลอมสุดท้ายก็วางมนไม่อย่างนั้นเราเหมือนคนแบกชีวิตชีวิตเหมือนคนแบกโลก และสุดท้ายมันหนักเกินก็ล้มเหมือนถูกโลกนี้ทักแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากโลกนี้เลยมีแต่คำว่าความหลงมีแต่ความหลงฉะนั้นผู้ภาวนาพอเข้าใจพื้นฐานของชีวิตสติสมาธิจิต ปัญญาแสงสว่างก็จะก่อเกิดแห่งใจรู้ว่าใจเราเดินสู่ความดับเย็นแล้วเราจะไม่ทุกข์ร้อนเพียงจิตต้องการแค่วัตถุเราต้องการเพียงคำว่าจิตที่บริสุทธิ์บุญกุศล บําเพ็ญให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตอนนั้นจะเป็นเทวดาก็เป็นได้จะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอารหันเป็นโสดาบันเราสามารถเป็นได้หมดแม้แต่จิตของโพธิสัตว์ก็เป็นได้แม้จิตอารหันก็เป็นได้เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีของศีลแล้วใจอันรู้แล้ว สติอันะระลึกได้ไม่เมาต่อชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจสุดท้ายชีวิตร่างกายก็มีคำว่าแก่เจ็บและก็ตายยึดไปก็ไม่ใช่ของเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราอาศัยเขาอยู่ใช้เขาไปสุดท้ายก็จาก พอปรงได้ใจก็ไม่ทุกข์พอทุกข์ดับใจนั้นก็สว่างสวยัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือเหตุแห่งชีวิตที่เรามาภาวนา หลายคนเข้าใจอะไรผิดเยอะมากนึกว่าชีวิตการแข่งแย่งผู้ที่ได้มากคือชัยชนะมันถูกหยุดตอนเดียวแต่ชีวิตจริงแท้จริงไม่ถูกสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่เหลือคือจิตไม่ใช่วัตถุแล้ววันสุดท้ายโยมจะรู้เอง วันก่อนสิจใจแล้วจะรู้ว่าชีวิตเป็นวัตถุหรือเป็นจิตใจวันนั้นตำแหน่งอะไรก็ไม่สำคัญเลยยิ่งเห็นการแข่งแย่งมากยิ่งรู้สึกมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นเจ้าของหรือคอขว่คว้า ดีไม่ดีกลัวแม้แต่พี่น้องลูกหลานมันจะฆ่ากันเองพ่อแม่มองเห็นลูกต้องแย่งกันเองรู้สึกเราเดินผิดลูกหลานของเราเดินตามที่เราเดินบาปกรรมบาปก ร, รับแล้ววันนั้นจะรู้สึกเหมือนมีห่วงจะตายก็ยังห่วง รู้สึกพอที่สุดแล้วชีวิตคือจิตจิตใจไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เกียรติเป็นคำตัดสินเอง <c oughs> <c oughs> ผู้พาวนาจะรู้เองพอถึงจุดนั้นแล้ว ไม่มีใครสอนเราแนละ้วใจของเราจะสัมผัสเองแล้วจะบอกตัวเองว่าเราผิดหรือถูกกันแน่สิ่งที่ทำดีหรือชั่วกันแน่ใจตอนนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปสงบหรือวุ่นวายเย็นหรือร้อนมืดหรือสว่าง ทุกหรือพ้นทุกข์เป็นมาหรือเป็นพระก่อนจะจากทุกอย่างต้องสะสากจิตมันเป็นอะไรก็ไปสู่ภพภูมินั้นทันทีระวังให้ดีนะระวังอย่าให้อกุศลนมันเกิดขณะจิตนั้นซับสมบัติ เขาหมดหน้าที่แค่มีบ้านมีอาหารที่อยู่อาศัยยรักษาโรคณนะเวลานี้ทรัพสมบัติหมดคุณค่าหมดโอกาสหมดเวลาชีวิตหมดทรัพนี้ก็หมดไม่ติดตามตัวไปนิมิตยามันนังทะนัมมันเวติกินจิทรัพสมบัติ ไม่ติดตามตัวไปเหลือใจทุกอย่างจะปรากฏขึ้นนรกสวรรค์ภพมรรคนิพานภูมิสัตว์น้อยใหญ่ใจนั้นจะเป็นผู้เกิดและก็ทิ้งร่างอันไร้วิญญาณลง จบแค่นี้ชื่อเสียงเกียรติยศเหมือนเมฆหมอกเดินเข้าไปถึงหาตัวตนไม่ได้เราสัมผัสมันอยู่เราใช้มันอยู่มันลมหายใจไม่ใช่ตัวตนแต่เราหายใจใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเราก็จากมันไปมันก็คือหนึ่งในชีวิตที่เราอยู่กับมันตั้งแต่เริ่มเกิดจนตาย ฉะนั้นผู้ภาวนาต้องระวังนิดหนึ่งอย่าให้จิตใจเป็นวัตถุที่มันมากเกินกว่าคุณธรรมเมื่อไรวัตถุมันมีมากเกินกว่าคุณธรรมวันนั้นกิเลสจะครอบงำใจแล้วก็มองอะไรไม่เห็นก็จะทำตามกิเลส มานก็ได้โอกาสก็สิงสู่ใจให้คึกเคิลำพองขึ้นมาน่ากลัวแต่ผู้ภาวนาต้องรู้ภาวนาสุขสงบร่มเย็น จนถึงสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องและก็ดับกิเลสน้อยใหญ่แห่งความเกิดและทุกอย่างก็จบลงไม่ต้องรับรู้อะไรอีกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับบท ห, หน้าที่แล้ว ไฟเผาเชื้อจนหมดเมื่อไฟดับเชื้อหมดมันก็คือคำที่บาะจบแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับก็ภาวนานั่งดูจิตไปสักระยะนะจนกว่าได้เวลา